ตอนอิทธิปฏิหารวันที่ยี่สิามสิงหาคมสองพันห้าร้ยห้าสิบแปดกาบนมัส ก, การพระคุณเจ้าสามเณรคุณไม่ชีกันลายะมิตรทุกคนก็นั่งสบายสบา ย, บายเนาะเมื่อคืนวันเสาร์แล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้พุทธศาสนาพร้อมๆไปกับเด็กๆ นะในรูปของซีรีส์ของเป็นภาพยนต์เนะพราะกูว่าได้อัตลดในเนื้อหาถ้าเราเรียนพุทธศาสนาแบบไปท่องจำไปอ่านหนังสือเนี่ยเราสัมผัสอารมณ์ไม่ไดนะ้เขาสร้างเรื่องนี้มาก็ทันสมัยยุคนี้เขา้องว่าต้องร่วมสมัยเราจะไปยึดมั่นคือมั่นกับแนวทางเดิมๆที่เคยทำมาแล้วเนี่ยคนสมัยใหม่เขาปฏิเสธนะ โดยเฉพาะวิธีปฏิบัติวิธีฝึกจิตก็เช่นเดียวกันนะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของโลกมันเปลี่ยนนะสังคมมนุษย์มันเปลี่ยนค่านิยมทุกอย่างมันเปลี่ยนเราต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงนะแล้วยอมรับความเปลี่ยนแปลงนั้นปรับเทคนิคอุบายวิธีให้มันเข้ากับยุคเข้าสับสมัยนะคือทางสายกลางแต่ถ้าเราไปยึดมัน่นถือมั่นกรูปแบบที่เราเคยชินรุ่นต่อรุ่น ถ่ายทอดกันมาเนี่ยนะโดยไม่ลืมหูลืมตาดูว่าโลกมันเปลี่ยนเป็นอย่างไรเนี่ยมันเกิดผลระดับหนึ่งแต่อินทระ์พละกกำลังมันไม่พอนะก็โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาคิดแบบวิทยาศาสตร์นะเขาทำอะไรต้องต้องต้อ ง, ต อ, งตอบโจทย์คือมีเหตุมีผลจริงๆแล้วคำสอนพื้เจ้าเนี่ยไม่ว่ายุคไหนหรอก มันก็มีเหตุมีผลในตัวมันนะแต่ว่าการเป่งภาษาการใช้ภาษาเนี่ยภาษาโบราณกับภาษาทุกวันนี้มันต้องใช้ภาษาที่ต่างกันนะภาษาทุกวันนี้เขาแฝงด้วยภาษาแบบวิทยศาศาสตร์นะอันนี้ก็เราเมื่อคืนพระครูก็ลองดูเปิดเป็นสองตอนก็โอเคไม่ดึกจนเกินไปนะก็จากนี้ไป ทุกคืนวันเสาร์แล้วก็เปิดสองตอนไม่งั้นเราต้องใช้เวลาเป็นปีถึงจะจบนะก็วันหนึ่งสองตอนแล้วก็เหลือเวลาหน่อยหนึ่งใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัตินะครึ่งชงั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ค่อยไปพักผ่อนก็คืนนี้วันอาทิตย์พ่อครูก็มีคําถามนะทีนี้บางคําถามเนี่ยปุ๊บเขาก็ยื่นให้เขาก็ระบุว่าเป็นเปคำถามเป็นคําถามเก่า มันเก่าสำหรับคนเก่ามันก็ใหม่สาหรับคนใหม่ก็เป็นคำหามเดิมๆนะก็ให้แก้วกาลังรวบรวมอยูนะ่ตอนนี้ใน u t u b e แก้วบอกว่าเป็นตอนที่เก้าสิบกว่าพวกครูก็ยังไม่รู้เลยนะตัวเองทำไมเป็นคนพูดมากขนาดนั้นแต่ละตอนนี่เป็นชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงนะตั้งเก้าสิบกว่าใครจะมีเวลาไปนั่งฟังหรือ บังเอิญไปเห็นไอ้ทุกวันนี้รุ่นใหม่ๆเขาโฆษณาเป็นบ็อกซ์เป็นกล่องเล็กๆนะมีเพลงพันเพลงนะมีครูบาจานเทศเป็นกล่องๆว่าเอออย่างนี้ ก, ก็ก็สะดวกดีตอนนี้ซีดีเริ่มเริ่มจะล้าสมัยละมันไม่สะดวกการที่จะไปนั่งเปิดซีดีเป็นเป็นร้อยร้อยแผ่นเนี่ยมันมันก็คงนั้นถามแก้วกล่องนี้เป็นยังไงเออถ้ากล่องนี้เนี่ยนำติดตัวไปไหนก็ได้ นะฟังเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ก็สะดวกดีแต่ไม่รู้ว่าต้นทุนอย่างไรนะขอกราบเรียนถามพรกครูว่าคนที่มีอาการอารมณ์สองขั้วเวลาดีก็ดีสุดๆเวลาเศร้าก็ทุกข์สุดตรงยิ่งเวลาโกรธแล้วไม่สามารถคุมอารมณ์ได้และพวกที่มีภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรง สามารถฝึกปฏิบัติภาวนาแบบที่สูวนนี้ได้ไหมคะแล้วไม่ทราบว่าวิธีนี้มีข้อจำกัดสำหรับคนประเภทไหนบ้างไหมคะก็ตอบว่าข้อจากัดคือคนที่เขาไม่ยอมปฏิบัตินะละเป็นคนเป็นคนไม่ยอมทำะนะเพราะเราทำแทนไม่ได้เนาะส่วนบางคนเป็นวิกลจริตลักษณะว่าเป็นโรคจิต แล้วก็พึ่งยาอยู่เนี่ยกดละงับประสาทเนี่ยคือคือไอแนวเราเรียกว่าที่เราปฏิบัติอายตนะวิปัสนากรรมาฐานเราใช้อายต น, นะนะได้ยินเสียงเสียงนี้ก็ อ, อายต น, นะนะส่วนถ้าเรากินยาละงับประสาทแล้วเนี่ยมันจะทําให้อายตนะฝ่ายที่เป็นสมองนั้นเหมือนมันเบล์มันชา ก, ก็ปฏิบัติได้แต่มันก็ไม่เต็มที่ร้อยเอร์ซตเหมือนคนไม่ต้องกินยาแต่ถ้ากินเป็นยากินโ ล, โลกจิตแล้วไปกินยาคุมมันไว้ถ้าเลิกยาปุ๊บเนี่ย มันจะแสดงอาการมันจะคุมไม่ได้ก็แนะนำว่ากินไปด้วยปฏิบัติไปด้วยส่วนมันได้เท่าไหร่ก็ได้ไปดาเนินไปเรื่อ ย, เ, อยเมื่อมันมีกำลังเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็ลดยาไปเรื่อ ย, อยนะก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอยู่ที่ว่าเรามุ่งมั่นไหมเราศรัทธากับสิ่งที่เราทำหรือเปล่านะคนประเภทไหนก็ปฏิบัติได้นะธรรมะมันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง พลังงานที่เกิดจากการหมุนสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเดี๋ยวคำถามเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งถามมีข้อจํากัดไม่มีข้อจํากัดนะที่นี่คนคนมีอารมณ์สองขั้วนั่นแหละคือมันไม่สมดุลทำไมมันเกิดเป็นแบบนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวลายนะ เ, เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะทุกคนในตัวเองมีสองขั้วตลอดอยู่ที่ว่าอาการมันจะดุลแรงแค่ไหน โดยเฉพาะเราฝึกเข้าไปในจิตได้แล้วเนี่ยนะจิตมันบอกว่าไม่เอาแต่ใจมันบอกมาเอามันก็เหมือนคนสองขั้วเหมือนกันเรากลายเป็นคนคนเดียวเนี่ยมีสองอารมณ์ในนั้นเหมือนกันนะทีนี้ผู้เจ้าก็ไปค้นพบนะเรื่องมหาสติปัฏฐานโดยยึดหลักสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะคือบูรณาการระหว่างกายเวทนาจิตธรรมอารมณ์เนี่ยก็คือเวทนานะอารมณ์มันไม่สมดุล เดี๋ยวดีเดี๋ยว้ายเนี่ยการเจริญมหาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นการเ <c oughs> ็าเรียกว่าอ m โมชันดีท็อกคือล้างพิษทางอารมณ์และปรับสมดุลของอารมณ์ด้วยมันเกี่ยวกับอารมณ์ทั้งนั้นแหละแต่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือเทวดาทำไม่ได้เพราะไม่มีกายนะเราจึงต้องใช้กายเวทนาจิตรมสี่ฐานนี้แต่แบ่งเป็นสองขั้วระหว่างฐานกายกับฐานจิตเวทนากเกิดขึ้นที่ใจ ใจในเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะส่วนฐานจิตฐานธรรมเนี่ยธรรมะลมเนี่ยอยู่จิตใต้สนึกเราเป็นฐานจิตเราต้องบูรณาการสองฐานนี่เป็นหนึ่งเดียวให้ได้จะเกิดพลังนะพลังจิตนั่นแหละเขาจะทําให้ปรับสมดุลของอารมณ์ทั้งอารมณ์ภายนอกคือเวทนาอารมณ์ภายในคือธรรมในธรรมถ้าทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวอารมณ์ที่เราสุดโต่งสองขั้วเนี่ยมันจะอ่อนลงอ่อนลง แล้วสุดท้ายจิตเขาจะแก้ที่ต้นเหตุคือมันมีคนซึ่งมีอารมณ์สองขั้ว <c oughs> มันจะฆ่าคนคนนั้นทิ้งซะเมื่อคนคนนั้นไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะมีอารมณ์สองขั้วอีกต่อไปนะแต่ตอนที่มันมีคนนั้นอยู่เนี่ยก็ต้องปรับสมดุลทางอารมณ์โดยใช้หลักมหาสติปัฏฐานนี่แหละนะก็ดําเนินไปเรื่อยๆพลังงานที่เกิดจากการหมุน สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ไหมคะหรือมันเป็นแค่โปรแกรมของจิตในอดีต <c oughs> หรือว่าเราคิดปรุงแต่งขึ้นเองทั้งหมดแล้วควรหยุดทำหรือทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายไปเองคะหลงป่าหาทางเดินออกจากป่าไม่ใช่เดินไปครึ่งหนึ่งบอกเบื่อฉันไม่เดินแล้วรอให้เสือมันมากินรอให้ไฟไหม้ป่านะก็ทาต่อไป นะไอการลังเลสงสัยของเราเนี่ยมันเป็นกิเลสของเราอย่างหนึ่งที่เราเป็นนักคิดนักหาเหตุผลอยากจะรู้ทุกเรื่องนะพอปฏิบัติปุ๊บมันก็ตั้งโจทย์ปฏิบัติจึ๊บตั้งโจทย์ถ้าในทางโลกเป็นเรื่องที่ดีต้องถามตัวเองบ่อยๆหาคำตอบโราจะกลายเป็นผู้รู้นะแต่ในทางจิตมันกลับกันไอความลังเลสงสัยเนี่ยคือเป็นตัวบั่นทอนการเดินทางของจิตมันเขาเรียกว่านิวรน นะเป็นมันเป็นสิ่งขวางขั้นทางเดินของจิตพราะครูถึงเน้นว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นอรารมณ์ใดเกิดขึ้นก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่พิจารณาไม่ตัดสินถ้าเราพิจารณาปุ๊บเราจะเกิดความลังเลสงสัยอีกแทนที่จะใช้เวลาเดินทางก็มานั่งคิดวิจัยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะเหมือนชักเย่าดึงกันไปดึงกันมาเนี่ยมันก็ไม่ก้าวหน้านะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดมันเป็นกรรมที่เราฝึกให้เราเป็นนักคิด นักใฝ่เรียนรู้ต้องการรู้ทุกเรื่องนะก็หลายปีก่อนมีชาวต่างชาติเป็นคนอเมริกันมาที่นี่ <c oughs> เป็นคนหนุ่มเขาเคยติดยาเสพติดนะเขาทุกข์มากนะมันก็ออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้เหมือนคนบ้านะก็เขาเดินทางมาที่นี่ถามพ่อคูครึ่งวันเขาบอกเขาเป็นคนรุ่นใหม่ ต้องมีเหตุผลถ้าเขาไม่เชื่อแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ยอมปฏิบัติไม่ต้องเสียเวลาซึ่งมันมีเหตุผลที่ก็พูดก็ใช่ที่นี่บางอย่างเนี่ยมันพูดด้วยเหตุผลแบบตักกะไม่ได้นะมันยิ่งพูดก็ยิ่งขัดแยง้งยิ่งพูดก็ยิ่งขัดแยง้งเพราะทุกคนมีธงของตัวเอง ทุกคนมีเหตุผลเข้าข้างทิฏฐิมานะของตัวเองทุกวันนี้ hyung, iki, ทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองทะเลาะกันทั้งโลกแมก้กระทั่งคนในครอบครัวเดียวกันคนที่รักกันถึงจะแต่งงานกันแต่ตอนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะเรามีเหตุผลนั่นแหละเหตุผลเข้าข้างทิฏฐิมานะของตัวเองทุกคนมีธงของตัวเอ ง, ก, ง, อ ง, เองก็อ้างเหตุผลเพื่อตอบสนองตันหาอุปทานทิฏฐิมานะของตัวเองมันทั้งคุยกันไม่รู้เรื่องนะเหตุผลทั้งนั้นแหละ นะทีนี้บางอย่างเนี่ยผู้เจ้าไม่บอกว่าเป็นไปตามเหตุผลนะพว่งบอกว่าเป็นไปตามเหตุและปัจจัยตามความเป็นจริงตามธรรมชาติแต่ทีนี้ถ้าคนไม่มีสติปัญญามันก็สู้กิเลส ต, ตัวเองไม่ได้กิเลส ต, ตัวอยากชนะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นผู้ถูกโยนความผิดให้คนอื่นหมดแล้วก็สู้มันก็สร้างเหตุผลต่างๆมารองรับสิ่งที่ตัวเองอยากมันถึงคุยกันไม่รู้เรื่องนะ ก็ฝรั่งคนนี้คุยกับพ่อคูครึ่งวันพ่อครูบอกไม่ได้เรื่องแล้วถ้าคุยอย่างนี้เนี่ยอกี่วันมันก็ไม่จบถามเรื่องนี้ตอบเรื่องนี้ถามเรื่องนั้นตอบเรื่องนี้ไม่ใช่เรามานั่งถกกันเรื่องอะไรนะบังเอิญระคังช่วยเขาตีกังกังพระแขกบอกไปกินข้าวซะเออก็ไปกินข้าวกันนะบังเอิญวันนั้นเขาทําก๋วยเตี๋ยวนะพ่อคูก็ถามฝรั่งว่าคุณรู้หรือเปล่านี่ยเขาเรียกว่าอะไรบอกไม่รู้เนี่คนไทยเรียกว่าก๋วยเตี๋ยว นะถ้าเธอถามพ่อครูว่ารสชาติมันเป็นยังไงอร่อยไหมพวกวกว่อครูบอกอร่อยอร่อยคุณรู้หรือเปล่าอร่อยแค่ไหนทำไมไม่ชิมดูรับรองไม่ตายไม่ใส่ยาพิษไม่ต้องเก็บตังค์ด้วยไม่เสียสตังค์นะใครเข้ามาในศูนย์นี้ต้องเสียค่าตั๋วไหมก็ไม่ต้องไม่มีอุบายวิธีอะไรทั้งนั้นไม่มีไม่มีอุบายอะไรทั้งนั้นไหมเขาบอกเออไอแก๊สหยุว่าบางอย่างเนี่ย พูดด้วยเหตุผลไม่ได้ต้องลองปฏิบัติดูเห็นไมเขาก็ลองปฏิบัติสุดท้ายก็อยู่กับพระครูเป็นปีนะเขาก็ฟื้นฟูชีวิตเขาแล้วตอนนี้ก็เป็นเศรษฐีนะค้าขายซื้อเสื้อผ้าเมืองไทยส่งไปให้แม่เขาขายที่อเมริกาเนาะชีวิตเขาก็ดีขึ้นนะบางอย่างมันเกิดจากวิตกจริตแล้วกลัวนะ แล้วที่ผ่านมาทำไมไม่กลัวเลยไปเสพยาเสพติดทำไมมันบอกไม่ลองไม่รูไ้ไงบางอย่างลองแค่ครั้งหนึ่งก็ตายเพราะเอาไหมนะพอ ก, กูจะพาไปลองนะไปไหมเดี๋ยวพาไปขงเจียมไปผาแต้มเฮ้ยบองโดดหน้าผายพอกูหน่อยทีนึงว่ามันเป็นยังไงลองไหมกล้าลองไหมเห็นไหมบางอย่างเนี่ สามัญสำนึกก็ต้องรู้ว่ามันลองควรลองไม่ควรลองอเนพราะคิดแบบนี้ก็ถึงติดยาเสพติดไงแม่ก็ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องหยุดนะขี้เกียจก็ทาเบื่อก็ทานะตื่นเช้ามาเดินทางออกจากป่าตั้งคืนมาก็หลับตื่นเช้ามาก็เดินอีกยังไม่ต้องอ้างเหตุผลเราจะไปรออะไรรอไฟไหม้ป่า เราหลงในป่าวตาสงสายไม่รู้มากี่รอบแล้วรอเสือมันมากินเหรอเห็นไมเดินต่อไปจิตเข้าไปในจิตคืออะไรอันนี้ก็คำถามเป็นปกติใหม่สำหรับคนใหม่เนยะแต่เก่าสาหรับคนเก่าคำถามนี้ไม่ต่ากว่าหนึ่งนะพันครั้งเนาะเพราะพวกเราคุยแต่เรื่องจิต <c ười> จิตจิตเข้าไปในจิตคืออะไร หลวงปู่ดุลท่านเคยเป่งวาจาออกมาว่าจิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธภาษาตัวนี้ถ้าใครเข้าไปในจิตเราจะเข้าใจภาษานี้แต่ถ้าคนยังไม่เข้าเนี่ยก็ไปเข้าใจผิดนะจิตเห็นจิตคือมรรคคาว่าเห็นของเราคือต้องไปเพ่งดูนะเลยมีบางสายบางลัทธิตอนนี้ไปนั่งดูจิตไปนั่งดูจิต ถามว่าใครดูจิตไหมจิตก็คือเราเราก็คือจิตทีนี้คําว่าคําว่าเห็นจิตคือไปนั่งดูจิตไปเพ่งจิตจริงๆแล้วนี่เข้าใจผิดจิตเห็นจิตคือมรรคไม่ใช่เห็นโดยการที่เรไปเพ่งไปดูมันนะก็คือจิตในจิตนะยังสติปฐานสี่กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตต้องเข้าไปในจิตในจิตเราถึงจะสัมผัสธรรมในธรรมธรรมลมที่บันทึกในจิตใต้สํานึกเราในรูปของกรรมดีกรรมชั่ว เห็ไหมบางท่านบอกตอนนี้ตอนนี้เป็นคนแก่เห็นไหมไปเสพอารมณ์คนแก่ตอนนี้เรายังหนุ่มๆเราเห็นคนแก่อายุเก้าสิบเดินมาหลังค่อมๆลุกก็โอยนั่งก็โอยโอ้น่าสงสาร น, นะแล้วก็จินตนาการว่าคนแก่นี่น่าสงสารเดินว้ไวัก็ไม่ได้ลุกก็โอยนั่งก็โอยถามว่าทุกข์แค่ไหนรู้ไหมเราก็ไม่รู้แต่พอเราเข้าไปในจิตในจิตเราไปเสพธรรมในธรรมนะ เราย้อนไปสู่อดีตตอนที่เราเคยเป็นคนแก่ไม่ใช่เราเห็นมันอย่างนั้นนะเราไปเป็นอารมณ์นั้นเราเสพอารมณ์คนแก่ได้จริงๆนี่คือตัวปัญญาปัญญาเกิดจากการเห็นแจ้งของจิตไม่ได้เกิดจากการนึกคิดหรือการพิจารณาคาดคะเนจินตนาการคือเราไปเสพอารมณ์นั้นนะอารมณ์นั้นมีไว้ให้เสพมีไว้ให้เห็นแต่ไม่มีไว้ให้เป็นนะเราก็เห็นอารมณ์นั้นว่าเออคนแก่ทุกข์อย่างไร แต่เราไม่ต้องไปทุกข์กับมันนะคือโดดเข้าไปเป็นอารมณ์นั้นคล้ายๆว่าไปอยู่ในอารมณ์นั้นแต่ไม่หลงอารมณ์นั้นเราสามารถเสพอารมณ์นั้นได้เลยว่าคนแก่เนี่ยเขาทุกข์อย่างไรนะอันนี้คือจิตเข้าไปในจิตคืออะไรก็คือว่าจิตปัจจุบันเนี่ยเราหลุดพ้นจากการยึดติดกับใจนะใจนี่เป็นอายตนะ ตาหูจมูกดิ้นกายใจโดยชฉพภาษาไทยเรียกว่าจิตใจเราก็เลยเข้าใจว่าสิ่งเดียวกันจริงๆแล้วจิตก็จิตใจก็ใจไอ้ใจนี่คือหัวใจที่เราเรียกว่าหัวใจเป็นก้อนเนื้อก้อนหนึ่งมีหน้าที่ปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงร่างกายเป็นกดังเก็บอารมณ์แต่มันทำงานด้วยด้วยวิญญาณคือมโนวิญญาณเป็นพลังของจิตทาให้หัวใจมันเต้นนะจิตรับรู้อารมณ์ที่ใจ รับรู้เสียงที่หูนะใบหูประสาทหูติ่งหูเป็นตัวดูดเสียงเข้ามาแต่ไอตัวได้ยินเสียงคือวิญญาณหูคือโสตวิญญาณถ้าไม่วิญญาณมันไม่ทำงานเนี่ยไม่ได้ยินไอตัวรู้ตัวได้ยินเสียงเนี่ยเป็นตัววิญญาณเมื่อมันได้ยินเสียงปุ๊บมันก็ส่งไปให้มโนวิญญาณเขาไปในกล่องบันทึกโปรแกรมเรานะไอตัวนี้ถึงรู้เลยว่าเสียงใครเสียงอะไรนะวิญญาณมันส่ง เขาเรียกว่าเหมือนโทรศัพท์ตอนนี้แล้วแหละโทรศัพท์ไล่สายนะที่มือถือเราใช้สมัยก่อนเนี่ยกิ้งทั้งบ้านดังไปหมดเลยอันนั้นไปตามสายเห็นไมตอนนี้ไล่สายวิญญาณเราเขาก็ทำงานแบบนั้นวิญญาณที่หูก็ส่งมาให้มโนวิญญาณนะวิญญาณที่ตาก็ส่งให้มโนวิญญาณวิญญาณที่จมูกก็ส่งไปให้วิมโนวิญญาณวิญญาณที่ลิ้นก็ส่งไปให้กายวิญญาณถูกกระทบนี่แล้วก็ส่งไปให้ นะมันเหมือนวิญญาณเนี่ยเขาเขาไม่ต้องมีมีส่งไม่ไม่ ไ, ม ไ, ม ไ, มไมล้สายเหมือนกันนี่คือขั้นตนการทํางานทีนี้จิตเข้าไปในจิตคืออะไรนะก็คือจิตปัจจุบันเนี่ยอิสระจากความเป็นทาตของใจเข้าไปสู่เหมือนแล้วเข้าไปในเว็บไซต์เรานะเข้าไปเว็บไซต์เข้าไปในจิตใต้สํานึกเรานะแล้วก็คําถามต่อไปเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตเข้าไปในจิตแล้ว ทีนี้ถ้ามันแสดงอาการอะไรเนี่ยโดยที่สมองเราไม่ได้สั่งการเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขานั่นแหละเพราะครูถามว่าใครสั่งให้เราทําไม่ใช่จิตปัจจุบันแน่ๆอุปทานหรือเปล่าใช่ไหมละ่ะทาไมเราต้องอุปทานมาทําสิ่งนี้เอาแค่สมองคิดปุ๊บไอ้ลําทําไมอายมันไม่ทําอยู่แล้วแล้วใครทานะใครทําก็ดําเนินไปเรื่อยๆนะ เราถึงจะรู้คาว่าจิตคืออะไรเราตอบไม่ได้ว่าจิตคืออะไรแต่มันคือสิ่งสิ่งหนึ่งถ้าพูดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งมันต้องมีแน่ๆมันไม่ต้องไม่ใช่นามมาธรรมแต่มันไม่ใช่รูปประธรรมที่เราจะจับต้องได้ด้วยตาเนื้อด้วยด้วยเทคโนโลยีนะแต่มันก็ไม่ใช่นามมาธรรมถ้ามันเป็นนามมาธรรมแล้วใครจะเป็นคนเวียนไห้าตายเกิดใครใครจะเป็นคนไปรับวิบากกรรม นะมันคือสิ่งสิ่งหนึ่งนะสิ่งนั้นเราสัมผัสไม่ได้ด้วยที่เราปฏิบัติเข้าไปสัมผัสเขามันตอบเป็นภาษาไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะแต่ถ้าตอบไม่ง่ายก็คือคือตัวรู้มันเป็นคือตัวรู้นั่นแหละแต่ตัวรู้น้ำรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่หยาบขนาดนั้นแต่เราสัมผัสเขาได้ โดยที่นี่แหละเรื่องมาปฏิบัติมหาสติปัฏฐานเนี่ยจิตเห็นจิตคือมรรคนะเราเข้าไปในกระเาเรียกว่าเข้าไปในกระแสเข้าไปในจิตใต้สํานึกได้เหมือนบ้านหลังนี้ชื่อว่าจิตเราไปนั่งเพ่งบ้านหลังนี้เฉยๆนี่เราก็เห็นเงาของมันอันนี้เป็นแค่เวทนาไปส่องหน้าต่างดูข้างในบ้านก็ยังเปื้อนเหมือนเก่านะเพ่งไปจนตายมันก็เปื้อนเหมือนเก่า มันไม่ได้ขัดเกลจิตให้ผ่องใสเลยเราต้องเปิดประตูบ้านเข้าไปในจิตในจิตเข้าไปขัดเกลจิตให้ผ่องใสนะขอให้เขาเปิดประตูบ้านแล้วตอนนั้นะบวนการที่เขาทำให้เขาจัดการทำเนี่ยไม่ใช่สวองปัจจุบันไม่ใช่จิตปัจจุบันสักมันเป็นไปตามอัตโนมัติน่นนะเราจะรู้ได้เลยว่านั่นหละคือจิตเขาทำงานแล้วตอนกำลังทำสมาธิเวียงเมื่อจิตเข้าไปในจิตได้เราจะมีความรู้สึกอย่างไรเรารู้เฉย มันเคลื่อนไหวเราก็รู้อารมณ์ดีเราก็รู้อารมณ์ร้ายเราก็รู้นะรู้เราเห็นอารมณ์เห็นธรรมในธรรมถ้าเราไม่เข้าไปในจิตเราแค่เห็นเวทนาเห็นอารมณ์ภายนอกเราฝึกขวาซ้ายหรือไปวิ่งจ็อกกิง้งเราใช้อะรหบทของร่างกายนะหรือแม้กระทั่งลมหายใจพูดโธก็ชัางอยู่ในฐานกายถ้าเราทำบ่อยๆเราเดินจงกรมบ่อยๆเรารู้สึกเหนื่อย ไอเหนื่อยนี่เป็นเวทนาเป็นอารมณ์ภายนอกเป็นอารมณ์ปัจจุบันถ้าเราเข้าไปในจิตในจิตไม่ได้เราจะไม่มีทางไปเสพทำในธรรมธรรมอารมณ์ซึ่งบันทึกอยู่ในจิตใต้สํานึกเราเหมือนเข้าไปในเว็บไซต์นั่นแหละนะโปรแกรมดีโปรแกรมร้ายนั่นคือประสบการณ์อย่างยิ่งไม่ต้องไปสร้างเวทนาใหม่ขึ้นมานะ ทำในธรรมนั้นเป็นเวทนาในอดีตชาติหลายๆชาติแล้วเราบันทึกเป็นสัญญาไว้นั้นเรียกว่าธรำในธรรมมันเป็นปัญญาเดิมของเรานะทีนี้ไม่ใช่เอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราต้องบูรณาการระหว่างกายเวทนาจิตธรรมรวมเป็นหนึ่งเดียวทีนี้ไอ้ไอไอสายที่เขาฝึกทีละขั้นนะนั่งเข้าฌานจเจริญฌานจเจริญไปเรื่อยๆสะสมก็ร่างฐานกายฐานเวทนาแล้วก็ฐานจิตเขาเข้าไปได้เหมือนกันเขาก็ลึกชาติได้เหมือนกัน แต่เขาเป็นทีละสเต็ปนั้นเป็นลวกเดินชาญเขาจะไม่แสดงออกมาทางกายภาพอันนั้นเป็นมหาสติปัฏฐานแบบแยกส่วนแบบทีละสเต็ปเรียนทีละขั้นนะมันช้ามหาสติปัฏฐานจริงๆแล้วพระเจ้าวสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยคือกายเวทนาจิตธรรมต้องบริบูรณ์แต่เขาก็บริบูรณ์เขาบริบูรณ์เดี๋าเขาศึกษาตั้งแต่ฐานกาย ในกายฐานเวทนาเวีาฐานจิตในจิตแล้วก็ไปเสียดฐานธรรมในธรรมเขากละ่ลึกชาติได้เขาก็บรรลุธรรมได้นะแต่เขาทำแบบทีละสะเตปแบบแยกส่วนแต่จริงๆแล้วเนี่ยสติปัฏฐานทั้งสี่ต้องบริบูรณ์คือว่าในขณะจิตเดียวเป็นหนึ่งเดียวเลยนะอันนี้สิ่งที่เรากำลังดำเนินอยู่เนี่ยจะมีความรู้สึกอย่างไรเรารู้ เรารู้ตามอารมณ์นั้นๆมันเกิดไม่ใช่ว่ารู้สึกดีอย่างเดียวไม่ใช่รู้สึกไม่ดีด้วยรู้สึกเจ็บปวดด้วยรู้สึกอะไรด้วยรู้สึกตามความเป็นจริงที่เราบันทึกวิบากกรรมไว้อย่างนั้นถ้าต่อว่ารู้สึกอย่างไรมันตอบไม่ได้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเป็นตามที่มันเป็นแต่เรารู้เฉยเฉยเรารู้เฉยเฉยว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วทําไมต้องไปรู้ละ่ะแค่ชีวิตมีบางคนต่อว่าพระครูนะ ชีวิตประจํำวันนี้ก็เบื่อมากมายแล้วยังจะไปยุ่งกับอดีตทําไมนะพูดอย่างนี้เหมือนว่าเฮ้ยนี่สินก็สมมุติอ่ะอะเบี่ยงมันทิ้งไม่ต้องไปสนใจหรอกถามว่าธนาคารมันยอมไหมเห็นไหมเราขี้เกียจทางานเราขี้เกียจขัดเก่ า, เ า, เกเกาจิตให้ผ่องใสนะมัวแต่ไปเพิ่มสติเพิ่มสมาธิอยู่นั้นแหละแล่แของเก่าเนี่ยแก้งลืมได้ไหมนี่แหละพระเจ้าที่บอกว่าเราของเก่านี่มีอย่างนี้นะของเก่าชาติปัจจุบันเนี่ย คือกิเลสตัณหาอุปทานที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ก็กลายเป็นของเก่าเราแล้วมันเปื้อนแล้วไงทีนี้มันมีขวางของเก่าที่ละเอียดก่อนกว่านั้นอีกที่เป็นอนุสัยเดิมเราเป็นอาสวะกิเลสเราเนี่ยก็คือพวกนิกรรมนะไอแนวที่เราทำทำไมมันแรงเพราะมันเร็วถ้ามันไม่แรงมันก็ไม่เร็วนะมันต้องเร็วต้องแรงเพราะครูถ้าสำหรับส่วนตัวพวกครูแล้วว่า โดยเฉพาะยุคโลกาพิวัตเนี่ยโลกาวินาศเนอะดุกข่าวสารไล่พรมแดนเนี่ยกิเลสเร็วมากนะดีก็ดีไวเร็วก็เร็วไวนะเรากระทบทุกเวลาเลยเนี่ยนะไม่มีเวลาที่จะค่อยๆไปฝึกแล้วไม่มีเวลาละต้องวัดดวงนะส่วนใครจะวัดไม่วัดชีวิตเป็นของเราแล้วแต่นะก็ อิทธิฤทธิปฏิหารมีจริงไหมอิทธิฤทธิปฏิหารผู้เจ้าก็ตัดไว้ว่ามันมีหนึ่งอิทธิปฏิหารแน่นอนมีนะเหาะเหินเดินอากาศได้หูทิพตาทิพโดยเฉพาะพระเปี่ยมพุทธเจ้าเราก็เห็นนะนะเหาะขึ้นไปบนยอดไม้ในปามเศรษฐีเพื่อลบลูก ครูบาอาจารย์เล่าดูงพระทธเจ้าอะไรแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์อันที่สองอาเทศนาปาฏิหาริย์ตอนนี้เมืองไทยเขายอดฮิตนะคือไปอย่างรู้วาละจิตเขารู้อดีตกรรมเขาอะไรๆเนี่ยนะตอนนี้นะตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครนะหาเงินหาเงินก็เอาเงินไปให้หมอดูดูให้ผู้มีดิษฐ์มาดูหน่อยบอกฉันหน่อยว่าฉันเป็นใครเราเองยังไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครนะไปให้คนอื่นต่อดูให้เราว่าเราเป็นใครและให้เขาชี้ทางชีวิตเรา ถามว่ามีไม่มีนะถ้าจิตมันเข้าถึงตรงนั้นมาแล้วเมื่อเรารู้จิตเราแล้วเรารู้จิตคนอื่นหมดแล้วแหะแต่สองข้อนี้มันไม่ใช่ทางผลทุกพระพุทธเจ้าไม่สับสนุนแต่พระองค์ไม่ใช่บอกว่ามันไม่มีเห็นไหมในภาพพยมพรพุทธเจ้านี่ก็มีนะผู้จะบอกไม่ควรกระทํานะไม่ควรกระทําเพราะว่ า, าเราไปแสดงนี้ให้เขาเห็นเขาจะไปหลงว่า้ การจะพ้นทุก์ต้องไปฝึกมีฤทธิ์มีเดชก่อนเห็นไหมแล้วเราก็ไปบางคนก็คาดคะเนอะไม่รู้จริงหรอกก็หมอดูหมอเดาก็อ้างโน่นอ้างนี่อดีตกรรมเขาเป็นยังไงยังไงก็เพื่อจะให้เขาไปทําบุญเมื่อเขารู้แล้วเนี่ยเขาทุกข์แล้วเขาไม่ทําบุญเขาก็นอนไม่หลับเขาก็ไปทํานะแต่เขาไม่ได้อะไรเลยเขาไม่ได้ปัญญาเลยแถมให้เขาหลงอีก สองข้อนี้ผู้เจ้าไม่สับสนุนพระองค์สับสนุนข้อที่สามคืออนุศาสนีปฏิหารนะคือพูดคือชี้ทางให้เขาเกิดปัญญากลับบ้านเขาได้ปัญญากลับบ้านเพราะปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้เขาพ้นทุกข์อันนี้เป็นอิทธิฤทธิ์อย่างหนึ่งอิทธิปฏิหารข้อที่สามคืออนุศาสนีปฏิหารทีนี้ก็มีตัวอย่างนะพระครูก็ เอามาพูดให้ฟังนะเป็นตัวอย่างเพื่อให้ทุกคนมองภาพชัดครั้งนั้นพระเทวทัตหลีกเล้น์อยู่ในที่สงัดได้เกิดความคิดคำหนึง่งขึ้นในใจว่าเราจะพึงยังใครหนอให้เลื่อมใสซึ่งเมื่อเขาเลื่อมใสเราแล้วลาบสกาละเป็นอันมากพึงเกิดขึ้นลำดับนั้นพระเทวทัตได้มีความคิด ดังนี้ว่าอาชาติศัตรูกูมานี้ยังเป็นหนุ่มจะมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปถ้าใไรเราพึงยังอาชาติศัตรูกูมานี้ให้เลื่อมใสเมื่อเขาเลื่อมใสแล้วลาบสกาละเป็นอันมากจะเกิดขึ้นลำดับนั้นพระเทวทัตเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวร จะลิกไปทางกรุงราชครึจนถึงกรุงราชครึโดยลบดับครั้งนั้นพระเทวทัตได้แปลงเพศเนลมิตรตนเป็นกุมา น, น้อยเอางูพันเอวปรากฏบนพระเพลาคือคือตักของอชาชาติศัตรูกุมานครั้งนั้นอชาชาติศัตรูกุมานทรงกลัววาดวันสะดุง้งตกพระไทย พระเทวทัตจึงถามว่ากุมารท่านกลัวฉันหรือพระกุมารตัดว่าใช่เรากลัวท่านเป็นใครพระเทวทัตตอบว่าฉันคือพระเทวทัตพระกุมารตัดว่าถ้าท่านเป็นพระคุณเจ้าเทวทัตก็กลับเป็นตามเพศเดิมเถิดเพราะกลัวนะครั้งนั้นพระเทวทัตเปลี่ยนเพศกุมาร น, น้อย กับเป็นภิกษุทรงสังฆาติบาตและจีวรยืนอยู่ข้างหน้าพระ ก, กุมารลำดับนั้นพระ ก, กุมาเรเลื่อมใส ย, ยิ่งนักเพราะอิทธิปฏิหารนี้ได้เสด็จไปอุปถ า, ากทั้งเวลาเย็นและเวลาค่ำเวลาเช้าพร้อมด้วยราชรถห้าร้อยคันได้นำอาหารห้าร้อยสำรับไปด้วย ต่อมาพระเทวทัตถูกลาบสกาละและความสัรเสริญครอบงำเกิดความต้องการดังนี้ว่าเราจะปกครองภิกษุสงฆ์พระเทวทัตจึงเสือมจากฤทธิ์พร้อมกับเกิดความคิดเช่นนี้พระเทวทัตถูกอสตธรรมสามอย่างครอบงำย่ำยีจิตใจต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรก ดำลงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้อสัตธรรมสามอย่างคือหนึ่งความปราถนาชั่วสองความที่มีมิจฉุกสามการได้บรรลุคุณวิเศษขั้นต่ำแล้วเลิกเสียกลางคันไม่ปฏิบัติต่อแล้วไปหลงติดในสภาวะธรรมนั้นโดยเข้าใจว่าเป็นการบรรลุธรรมแล้ว มันเป็นอภินยาอย่างหนึ่งนะที่เมื่อกี้มันต่อเนื่องกับคำว่าอิทธิฤทธิปฏิหารมีไหมมันมีนะแต่มันไม่ใช่ทางพ้นทุกแล้วทำให้เราหลงด้วยนะโดยเฉพาะเราเป็นพุทุชนเราถูกสอนให้พัฒนาตัวเองต้องพิเศษกว่าคนอื่นนะเรามีกิเลส ต, ตรงนี้อยู่แล้วเมื่อเราไปเจออภินยาเหล่านี้ทุกคนก็ไปติดมันทีแรกก็อ้างว่าโอ้จะช่วยเหลือคนได้ นะเป็นข้ออ้างของกิเลสพอทําไปทำมาก็เป็นหลงมันหลงจากสักการะหลงลาภโยศรเสริญแล้วสุดท้ายจิตมันก็เสื่อมเนี่ยตกนรกนะมันเป็นแค่โลกิยะอภิญญานะมันเป็นอิทธิฤทธิปฏิหารเป็นอภิญญาแบบโลกโลกมันไม่ใช่ทางพ้นทุกผ่านทางทุกก็ต้องทางพ้นทุ ก, กต้องเป็นโล ก, กุตระโล ก, กุตระอภิญญามีอย่างเดียวท่านั้นคืออาสวะขยะยาน ยานรู้ว่าด้วยกันกําจัดอาสวักิเลสนะก็คือมรรคปีองแปดอันนี้นี่ก็ชี้ยกตัวอย่างให้ฟังให้เข้าใจนะอย่าไปติดมันเราเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยสวรรค์ก็เวียงทิง้งนรกก็เวียงทิง้งดีก็เวียงทิง้งชั่วก็เวียงทิง้งเวียงทิ้งในที่นี้ไม่ใช่ไปเวียงสวรรค์ทิง้งเวียงนรกทิง้งแล้วเวียงทิ้งไม่ได้มันก็มีของมันนั่นแหละเวียงความยึดมั่นถี่มั่นที่เราจะไปหลงติดมันทิง้ง คือเตือนเราว่าอย่าไปติดมันล้างไปเรื่อยๆนะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่เอานะถ้าทุกคนสามารถระลึกชาติได้จริงๆนะมีมีทิพ ย, ยจักรสูนะเราเป็นมาหมดแล้วแล้วยังอยากจะเป็นอะไรอยู่หรอเราเกิดมาเพื่อจะไม่เป็นหนทางสู่การบทุกขึือต้องเลิกเป็นซะเป็นทางทางเดียวที่เราจะพ้นทุกนะไม่เป็นแล้วนะ ก็คำถามต่อไปอธิษฐานบา ร, รมีเกิดขึ้นได้จริงหรือแล้วต่างอะไรกับการทำพิธีกรรมสวดอ้อนวอนเพื่ออธิษฐานขอให้ได้สิ่งที่ต้องการจะเป็นการไถ่าบาปได้จริงหรืออธิษฐานบา ร, รมีอยู่ในบา ร, รมีสิบทัศนะนะนะ อธิษฐานในนั้นน่ไม่ใช่อธิษฐานเพื่อขอจะได้อะไรขออธิษฐานเพื่อจะขอนนั่นขอนี่สมบูรณธรรมบุญกับพุทธเจ้าไหว้พระพุทธรูปซึ่งเป็นแค่สั ญ, ญลักษณ์ของพุทธเจ้าเท่านั้นเองล้วไหว้ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ขอนน่นขอนี่นะอันนี้คือเป็นอธิษฐานฝ่ายกิเลสนะฝ่ายกิเลสสนองความอยากตัวเองเราก่าไหว้พระ พุทธเจ้าในฐานะพระพุทธรูปเนี่เป็นแค่สั ญ, ญลักษณ์เพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจากกิเลสไม่ได้กราบไหว้ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอโนอนขอนี่ผู้เจ้าไม่ได้ทรงสอนแบบนั้นพระองค์สอนให้เราพึ่งตนเองนะทำบุญกับผู้เจ้าปึ๊บร้อยหนึ่งสาธุอธิษฐานจิตขอถูกระวันที่หนึ่งนะไอ้นี่ไม่ใช่อธิษฐานบัรมี อันนี้ค้ากำไรเกินควรนะอันนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นส่วนอธิษฐานบา ร, รมีนี้คือคืออธิษฐานคือเพื่อตั้งสัจจิให้กับตัวเองเพื่อความมุ่งมั่นเพื่อความเพียรไม่ใช่อธิษฐานเพื่อขอนะเป็นการย้ำเตือนเตือนสติให้มีขันติมีความมุ่งมั่นเราทำอะไรก็ช่าง เราทําด้วยความมุ่งมั่นนะเราอธิษฐานแล้วว่า เ, ออเราจะมุ่งมั่นเพื่อพ้นทุกนะเพื่อพ้นทุกพ้นทุกคือไม่ได้อะไรเราก็จะได้มีความมุ่งมั่นเมื่อมีความมุ่งมั่นนก็เกิดผลนะอันนี้อธิษฐานบา ร, รมีอย่างนี้เนี่ยมีจริงแน่นอนเกิดขึ้นได้จริงๆส่วนอธิษฐานเพื่อขอขออะไรนะั้นไม่เป็นการสนองกิเลสตัณหานะอันนั้น อันนั้นมันไม่ใช่อธิษฐานฝ่ายกุศล น, นะทีนี้ทีนี้ก็มีตัวอย่างนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะปาวาริกรรมพวันเขตเมืองนาลันธาครั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านชื่ออสิพันท ก, กะบุตรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ชาวปัตฉาภูมิมีคนโทรน้ำติดตัวประดับพวงมาลัยสาหลายอาบน้ำทุกเช้าเย็นบำเลไฟพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำสัตว์ที่ตายแล้วให้ฟื้นให้รู้ชอบให้ขึ้นสวรรค์ ขนะ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถจะทำสัตว์โลกทั้งหมดหลังจากตายแล้วให้ไปเกิดในสุขสุขติโลกสวรรค์ได้หรือพระผู้มีพระภาคตัดตอบว่าผู้ใหญ่บ้านถ้าเช่นนั้นเราจักย้อนถามในปัญหาข้อนี้ พึงตอบตามสมควรนะท่านเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรบุรุษในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเลงอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิหมู่มหาชน พึงพา พ, พึงมาประชุมแล้วสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญปนมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่าขอบุรุษนี้หลังจากตายแล้วจงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เถิดท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดใน สุคติโลกสวรรค์เพราะการสวดอ้อนวอนเพราะการสวดสรรเสริญหรือเพราะการปนมมือเดินเวียนรอบแห่งหมู่มหาชนเป็นเหตุได้หรือผู้เจ้าก็ถามนะผู้ใหญ่บ้านตอบว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ก็ถามต่อผู้ใหญ่บ้านเปรียบเหมือนบุรุษโยนก้อนหินใหญ่ลงใน ทองน้ําลึกนะหมู่มหาชนพึงมาประชุมแล้วสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญปนมมือเดินเวียนรอบก้อนหินใหญ่นั้นว่าโผล่ขึ้นเถิดพ่อก้อนหินใหญ่ลอยขึ้นเถิดพ่อก้อนหินใหญ่ขึ้นบกเถิดพ่อก้อนหินใหญ่ท่านเข้าใจความข้อ น, นั้นอย่างไรก้อนหินใหญ่นั้น พึงโผล่ขึ้นลอยขึ้นหรือขึ้นบกเพราะการสวดอ้อนวอนเพราะการสวดสันเสริญหรือเพราะการประนมมือเดินเวียนรอบแห่งหมู่มหาชนเป็นเหตุได้หรือไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าผู้ใหญ่บ้านอุปมาณนั้นฉันใดอุปไมยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบุรุษ ที่เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอเจอเพ่งเลงอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิมู่มหาชนพึงมาประชุมแล้วสวดสรรเสริญปรนนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่าขอบุรุษนี้หลังจากตายแล้ว จงไปเกิดในสุขคติโลกสวรรค์เถิดถึงกระดานบุรุรนั้นหลังจากตายไปแล้วพึงไปเกิดในอบายยาอบายทุก ข, ขติวินิบาตนรลกอันนี้ผู้เจ้าก็พูดยกตัวอย่างให้ฟังนะถ้าเราทำชั่วแล้วก็เหมือนเราโยนหินลงไปในน้ำเราทำพิธีกรรมยังไงก็ช่างเนี่ยหินมันลอยขึ้นไม่ได้เนี่ยนะ มันแก้ บ, บุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันนะแต่ตอนนี้เขาบอกให้เราไปทําพิธีกรรมอะไรต่างๆก็เป็นอุบายวิธีทําให้เราสบายใจนะแต่มันไปไปแก้กฎแห่งกรรมนั้นไม่ได้ก็มีตัวอย่างก็ในภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้พวกเรายังดูไม่ถึงกันนะก็มีพระประเสั์ที่โกศลท่านทรงสุบินคือฝันไายพรามก็ วินิจฉัยความฝันนั้นว่าพระบิดาซึ่งสิ้นพระชนไปแล้วนั้นไปสู่ทุกขติภูมิวิญญาณ น, นั้นมีความทุกข์มากพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็คิดอยากจะทำพิธีบวงสวงนะเราก็ทำบุญส่งไปให้เสด็จพ่อก็เลยนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งคณะมาทำพิธีให้พอพระพุทธเจ้าเดินทางมาถึงก็เห็นเขาจัดพิธีแบบพาม น, นะ พระองค์ก็บอกว่า พ, พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็รายงานว่าท่านเป็นอย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าบอกได้ท่านจะทาให้ท่านก็สั่งให้ไปเอาม้่อดินมาสองหม้อนะมหาเล็กเขาก็ได้ยินเขาก็ไปจัดมาหนึ่งหม้อหนึ่งใส่น้ำมันมานะหม้อหนึ่งใส่หินกวดมาให้มันเต็มหม้อนะแล้วก็เอามาพระพุทธเจ้าก็มอบหมอ้อสองใบเนี่ย ให้พระเจ้าประเสณที่โกรธสนเนี่ยถือลงไปในริมน้ำบอกอาวางลงไปในน้ำแล้วท่านก็มอบให้ไม้ท่อนหนึ่งบอกว่าตีหมอ้อนั้นแตกซะนะก็ตีหมอ้อแตกพอตีหมอ้อแตกแล้วไอ้หินกวดนั้นก็จมลงไปในน้ำน้ำมันก็ลอยขึ้นบนน้ำผู้เจ้าก็ถามว่าท่านสามารถทำพิธีบวงสรวงเสร็จแล้วเนี่ยให้หินกวดนี้มันลอยขึ้นมาได้ไหม พระเจ้าเปเสนที่โกศลบอกว่าไม่ได้นะทีนี้ท่านบวงสวงทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ทำให้น้ำมันเนี่ยมันจมลงไปในน้ำได้ไหมท่านก็บอกไม่ได้แค่นี้เองเนี่ยพระเจ้าเปเส์ที่โกศลเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมนะท่านบอกว่าท่านเข้าใจล้นะเวลาพ่อแม่อยู่เนี่ยเราจะทำบุญก็รีบทำกับท่าน พอท่านจากไปแล้วเนี่ยเรารู้ได้ยังไงท่านไม่ไปเกิดอีกแล้วตอนนี้คนจีนที่เขามีวันเชงเมงไปกราบไหว้อะไรบางพระบุรุษนันมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะเป็นอุบายวิธี ท, ที่ทำให้คนอยู่เนี่ยนะไม่ว่างแค่ไหนก็ช่างนะเพื่อแสดงออกถึงความกระตันอยู่รู้คุณได้ไปเป็นวันพบญาตินะไปปันพบญาติแต่ตอนนี้พอครูติดตามข่าวนะไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว คนนี้ไปวันขี้คนนั้นไปวันคู่ไม่อยากเจอพี่น้องไม่รู้จะทำยังไงไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะนะไอคนที่ไปแล้วก็ไปแล้วถ้าเขาทำบุญแล้วเนี่ยอย่างน้ำมันลอยบนข้างบนน้้นเนี่ยเปรียบเส ม, มือนคนทำบุญนะเปรียบคนทำบุญลอยน้ำคนทำบุญอยู่บนหิวน้ำนีย่ยังมีโอกาสเนี่ยไหลไปตามกระแสน้ำเข้าใจไปมว่ายังก้าวหน้าต่อไปแต่คนทาบาปนั้นเหมือนคนตกนรก เหมือนหินที่มันจมอยู่ในน้ำเนี่ยเราขับยังไงก็ไปไม่ได้ถามว่าเออเราทําบุญแผ่ส่วนกุศลให้คนที่เขาจากไปแล้วได้หรือไม่ได้รับคําตอบคือได้รับแล้วก็ไม่ได้รับส่วนพระพุทธเจ้าท่านจากไปแล้วบอกทําบุญให้พระพุทธเจ้าอันนี้โกหกพระุทธเจ้าไม่ต้องการบุญจิบจ้อยกับพวกเราหรอกนะอย่าไปเล่นของพวกนี้อันนี้ก็บางทีทําอุบายไปอุบายมาเนี่ยเพื่อจะปลดปล่อยความเศร้า ความเสียใจเราเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นหลงอุบายนั้นเอาเป็นจริงเป็นจังเนี่ยไปหลงปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ทางพ้นทุกข์นะผู้เจ้ายกตัวอย่างดีมากง่า ย, ายๆเห็นไหมปลดเปื้องนะให้ความโศกเศร้าให้ความเข้าใจผิดหลงผิดนั้นสว่างได้นะกรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมันส่วนเราจะทำบุญเพื่อแแบ่งส่วนกุศลเอ่อ บางคนนี่ระบุเฉพาะเจ้ากรรมในเว้ของฉันของคนอื่นไม่เกี่ยวมีสำนักหนึ่งเขาเคยประกาศนะก็เหมือนเขาเป็นไปรษณีพิเศษถ้าไปทำบุญผ่านเขาแล้วเนี่ยแม้กระทั่งญาติพี่น้องเราซึ่งเป็นเปรตอสูรกายเนี่ยก็ได้รับนะเทวดานี่ไม่มีทางแซงคิวด่าเทวดาด้วยนะก็ว่ากันไปเนาะจะทำอะไรก็ทำนะเขาจะเปลี่ยนวัดด่าสงสารเนาะพ ก, กูก็ักสงสารเขาเหมือนกันเนาะ <c oughs> คือผู้เจ้าสอนแบบวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งไม่ให้เป็นหลงงม ง, ง, งายสิ่งเหล่านี้บางทีประเพณีวัฒนธรรมเป็นแค่อุบายวิธีเนี่ยนทําให้เราเนี่ยได้ปล่อยวางนะเพรว่าเราเป็นคนขี้เหนียวขี้ตะนีไม่เคยให้เลยนะเออก็เอาเอาเอ า, เอาบุญการทําบุญทําทานเนี่ยมันเป็นอุบาย เ, ยเพื่อสลัดความรวบความตนีออกนะ ทีนี้บุญที่ยิ่งใหญ่นะการทําทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรียกว่าสุญญาตาทานสุญญาตาทานเป็นทานที่ไม่มีผู้รับไม่มีผู้ให้ไม่ต้องระบุเจ้ากรรมในเวรเรานะผู้เจ้าบอกสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ระบุเฉพาะให้เจ้ากรรมในเวรเราเท่าที่เราจําได้นะ คือชาตินี้ชาติเดียวนะมดหมอแต่และตัวเนี่ยก็เคยเป็นเจ้ากรรมในเวรเราเคยเป็นพ่อเป็นแม่เราด้วยนะเห็นไหมถ้าเราเข้าใจสิ่งที่ผู้เจ้าสอนเนี่ยเราจะไม่หลงงม ง, งายนะเราจะไม่หลงงม ง, งายเราทําบุญเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหมดไม่ต้องเลือกระบุว่าเป็นญาติฉันเจ้ากรรมในเวรของฉันอะไรเนี่ยนี่ยังรักษาความขี้เหนียวอยู่นะให้เฉพาะคนของฉันคนของคนอื่นฉันจะไม่ให้ นะอันนั้นได้บุญน้อยนะสุญญาตาทานนะ่ะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะวันนี้พ่อครูก็มีโอกาสได้ทำบุญนะพ่อครูบังเอิญว่าชาตินี้เนี่ยไม่ใช่เผอรหรอกก็เป็นไปตามกรรมนำแหละนะก็ไปมีครอบครัวสร้างลูกขึ้นมาสองคนน้องขีกับน้องดอนนะน้องดอนก็บวชเนน น้องกีก็บวชชีบวชให้พรอครูจนถึงอายุยนะี่สิบถ้าไม่ศึกเขาก็เป็นพระตลอดชีวิตเขาอยู่ที่พรอครูพูดทุกอย่างก็แล้วแต่แล้วแต่นะพ่อครูก็มองจิตเข้าไปแล้วว่าชีวิตนี้ต้องให้เขาไปรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งด้วยเราไม่คุมถุงชนนะก็ให้เขาศึกพอศึกแล้วเขาก็จบปัญญาโททั้งสองคนนะพรอครูไม่ต้องเสียเงินค่าเรียนแม้แต่าบาทหนึ่ง เนาะเขาก็จบนะแล้วเขาก็เป็นคนดีนะทุกวันพ่อแม่อยากให้ลูกไปเรียนโรงเรียนแพงๆอะไรเนี่ยมันไม่ใช่โรงเรียนดีๆนะมันโรงเรียนแพงๆหลานพวกครูเนี่ยสามคนตอนนั้นย้ายมาอยู่กรุงเทพนี่เรียนโรงเรียนนานาชาติเทอมหนึ่งคนละล้านปีหนึ่งคนละสองล้านค่าเทอมมันบอกโรงเรียนดีๆพวกครูบอกโรงเรียนแพงๆมันไม่ได้ดีอะไรสักหน่อยมันแพงมันจะดีอะไร เราไปซื้อของแม่ค้าต่อเอาต่อเอ า, อเอาจะไม่ชอบแพงใช่ไหมแต่โรงเรียนแมงแพงบอกมันดีนะขี้เหอพวกนี้เนี่ยไม่ใช้ปากมากินใช้หน้าตามากินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนะทีนี้ไอ้เด็กสองคนนี่น้องขี้กับน้องดอนนเรียนโรงเรียนกสนอนะพ่อครูเปิดเองนะสอนเองไม่ต้องเสียสตังค์อันนี้เขาเรียกว่าโรงเรียนสุดยอดของความดีเลยพ่อแม่ไม่ต้องเสียเงินแล้วเราต้องสอนให้เขาเป็นคนดี ไม่ได้สอนให้มันเก่งคนเก่งเนี่ยเก่งทำดีเก่งทำชั่วด้วยพวกคอร์รัปชันพวกไปโกงบ้านโกงเมืองพวกไปเอาเปรียบคนอื่นแนตะคนเก่งทั้งนั้นนะเมื่อเราเอาขโมยเนี่ยมาสอนมันยิงปืนเป็นนะมันยิงปืนเป็นเสร็จแล้วมันจะเลิกเป็นขโมยทันทีเออดีจังเลยทำไมเก่งอย่างนี้สอนขโมยให้มันเลิกเป็นขโมยมันเรื่องอะไรจะเป็นขโมยมันเป็นโจรป้นกลางแดดมันยิงปืนเป็นแล้วไงป้นกลางสภาป้นกลางถนนเลยเห็นไม นี่แหละเก่งไงไปเรียนโรงเรียนแพงๆไงพ่อแม่ก็กระเสือกกระสนอยากมีหน้าตาคุยมัวโอวดแล้ลูกฉันเรียนโรงเรียนแพงๆแพงๆไม่ได้ไปว่าดีๆนะอันดับแรกมันไม่ดีเพราะมันแพงแล้วมันสอนให้มันเก่งเก่งกว่าคนอื่นแล้วสุดท้ายเนี่ยมันทุกแน่ๆเลยมันไม่สามารถชะนะคนทั้งโลกได้แล้วไปเรียนท่องจําวิชาของคนอื่นเป็นแค่นักเรียนแบบไม่ใช่นักเรียนรู้นี่ก็เห่กันไปอย่างนั้นไง เนี่ยลูกพ่อครูสองคนไม่ใช่มีจะพูดนะทามายี่สิบกว่าปีไม่เคยพูดเลยไม่ต้องรายงานใครแต่ช่วงหลังมันถึงเวลาแล้วก็แบ่งปันทําแล้วค่อยมาพูดไม่ใช่มีแต่พูดไม่เคยทานะแล้วเด็กสองเด็กก็โตจบปัญญาโทพ่อครูจะให้น้องดอนเนี่ยไปอินเดียเพราะพ่อครูยี่สิบปีไม่ไปไหนนะไม่มีใครรู้จักพอถึงเวลาบอกแก้วทิพย์ไป เดินทางถึงเวลาไปอินเดียเพราะกูไปเห็นสังคมที่นุ่นขอทานเยอะที่สุดในโลกนะต้องการให้น้องดอนไปเห็นเรื่องดูคนยากคนจนที่นุนมหาเศรษฐีก็เยอะไปดูชั้นวันะของเขานะก็อนุญาตให้เข้ากรุงเทพไปต่อพาสปอร์ตตั้งแต่เกิดมาพาสปอร์ตอเมริกันของเขากไม่เคยต่อเลยเพราะกูทิ้งกันนะใช่เมื่อเดินทางก็ไปต่อ นะคุณย่าได้จังหวะบอกว่าเฮ้ยพ่อครูอนุญาตแล้วบอกเข้าไปอเมริกาแทนที่จะไปอินเดียบอกไปอเมริกานะพ่อครูบอกกลับมาก่อนมาคุยการโทรมาจากกรุงเทพนะเขาไม่ได้ว่าอะไรเด็กคนนี้บอกแล้วแต่พ่อครูที่นี้พ่อครูก็บก่กเออดีเหมือนกันพ่อครูก็เกิดอาการระเบิดที่อเมริกานะดีจะได้ไปเรียนรู้การพึ่งตนเอง ถ้าเข้าไปอเมริกาแล้วเพ่อครูก็ไม่ออกสตังค์สักบาทหนึ่งไม่ต้องเราไม่ได้หาเงินแล้วเนี่ยแต่ถ้าไปอินเดียยังออกนะออกถูกหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังออกโอเคไปตเตือนเขาว่าดอนทโนนต้องพึ่งตนเองนะญาติก็ไม่มีญาติมันญาติแค่สมมุติทีินนตัวใครตัวมันนะให้เขาไปรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งนะแล้วตอนนี้แม่เขาก่อนจะจากไปก็เหลือสมบัติชิ้นหนึ่งให้เราบ้านที่อุบลพราครูก็ ปรึกษากับลูกว่าขายนะห้าล้านโอเคเพราะครูไม่อยากให้แกไปใช้ชีวิตข้างนอกหลังหนึ่งก็มาสร้างบ้านให้คีอีกหลังหนึ่งก็สร้างให้ดอนกำลังจะเสร็จนะยังไม่ได้เข้าไปอยู่นะตอนนี้แขกรับเชิญเพราะครูกุ๊ปแรกก็คือเด็กของเราสามสิบแปดคนเพราะครูให้เกียรติเด็กคนนี้ยิ่งกว่าผู้ใหญ่บางคนมีแต่เอาใจใจตัวเองนะเพราะครูมีความสุขกับเด็กๆวันนี้ พาเขาไปเล่นน้ําในเขื่อนแล้วก็ขนมนมเยนยเราทําบุญเลี้ยงเด็กส่วนเราทําบุญเลี้ยงพระเลี้ยงทุกวันอยู่แล้วเลี้ยงฉีทุกวันเนี่ยเลี้ยงเนนทุกวันอยู่แล้วโอกาสที่จะเลี้ยงเด็กน้อยมากนถือว่าบ้านน้องดอนเนี่ยวันนี้พ่อครูบอกเด็กๆบ้านหลังนี้เป็นของเราทุกคนวันนี้ลุยเละเลยมันเป็นแค่สมมุตินะคือเราทําจริงๆไม่ใช่บิียตพูด นะเด็กๆ เ, เขาก็รักเราเขาก็มีความรู้สึกอบอุ่นต่อไปเราขออะไรเขาขอให้เขาทำสิ่งดี้ดีเขาก็ทาให้เราไม่ใช่ลูกเป็นคนดีนะเป็นคนดีนะไม่เคยพาลูกไปทำความดีเลยแค่อย่าไปทำความช่วยให้พ่อแม่เดือดร้อนเท่านั้นเองนั่นละคนดีของเขาแล้วมันจะดีได้อย่างไรเราต้องพาเขาทำความดีนะความดีคือให้ได้อภัยได้รู้จักรับผิดชอบตัวเองกับสังคม ตอนนี้ก็ตัวใครตัวมันนะใครรักชอบอย่างไรก็ใช้คําว่านี่มนนะส่วนพระครูก็เป็นแบบพระครูนี่แหละแบบที่มันไม่มีแบบนี่แหละนะมีเวลาวันหนึ่งเราก็ทําในสิ่งที่มันปรึงจะเป็นพึงจะทําไม่ต้องไปรายงานใครแต่มีโอกาสก็เล่าประสบการณ์ทั้งทางโลกทางธรรมให้พวกเราฟังทางโลกพระครูไปมาสุดๆแล้วละ่ะนะสิ่งแค่ไหนก็สิ่งมาแล้ว นะก็ทำไมจะไม่รู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้ว่าคนโลกเขาคิดอะไรอยู่เขารักลูกแบบไหนเขาไม่รักลูกเขาเลยเขารักอนาคตลูกเขามากกว่านะเออเลี้ยงเก่งๆนะลูกจะได้เป็นเจ้าเป็นนายจะได้มีความล่ารวยมั่งคั่งแล้วนั่นจะมีความสุขนะไปสอนมันเป็นชุดวิชาเลยนะกลัวมันกลัวมันไม่ทุกข์เหมือนเรานะก็มีโอกาสเตือนพ่อครกูก็เตือน นะบางคนบอกเด็กอยู่ที่นี่เนี่ยน่าเป็นห่วงห่วงอะไรสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าไปประจนภัยเนี่ยเราต้องเตรียมปืนเตรียมมีดเตรียมเครื่องมือนี่ยเข้าไปในป่าเขาเรียกไปประจนภัยนะตอนนี้มันกลับกันนะประจนภัยต้องเข้าไปในเมืองหลวงเมืองใหญ่ๆนะมันจะตุ้มตามเมื่ อ, อไหร่ก็ไม่รู้นะข้ามถนนทนึงไอ้ไม่รู้ไอ้เสือสิงกระถิงแรดมันวิ่งเร็วมากนะเผอปุ๊มันก็กินเลยนะ นั่นแหะประจุนภัยนะเครียดตลอดเวลานะอยู่ที่นี่ห่วงอะไรกลัวอะไรเหรอเอะกลัวเสือกัดเหรอเสือมันสูญพันธ์แล้วมันไม่เห็นคนฆ่ามันทิ้งหมดแล้วนะเนี่ยห่วงแบบไหนเนี่ยมันกลับกันนะตอนนี้อยู่ในเมืองนะ่ะประจุนภัยเราไม่ได้คิดอะไรแต่คนคิดมันจะเอาเปรียบเรามันจะเล่นงานเรามันมีอยู่นะตอนนี้ก็ไม่รู้นะเผื่อว่าพรครู ไม่ได้ค้าขายพรอครูไม่ได้กังวลว่าจะไม่มีลูกค้าแต่ถ้าเอาบุญมาให้พ่อครูนี่พ่อครูก็น้อมรับขอบคุณมากที่ให้พค่ครูมีโอกาสได้ทำบุญนะไม่ใช่พูดเฉยๆนะทำมา26ปีแล้วนะมันเหลือเวลาวันหนึ่งก็ทาวันหนึ่งก็ทำทาเพราะทำธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะนะตอนนี้เด็กๆ พ่อครูถามดูมีอนุบาลมีหกคนก็บอกมีเหลือสองคนนี่ยอดมนุษย์วันนี้พ่อครูสัมผัสแล้วเขามาเดินเขาวิ่งมากอดพ่อครูนะขอให้มีความเมตตาให้รักเขาเขาก็มีจิตเขาก็ดื้อตามภาษาเขาแต่ถ้าเขาอบอุ่นเขารักเขาเราเขาก็รักเขาเด็กเขารู้ว่าใครรักเขาจริงๆนะไม่ใช่ผิดก็มีแต่ลงโทษลงโทษลงโทษอต่ไม่ใช่ขอให้เรามีเมตตารักเขาแล้วสุดท้ายเนี่ย เราจะเปลี่ยนเขาได้จิตเดิมทุกดวงจิตน่ะดีอยู่แล้วแต่มันถูกสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเด็กในชนบทแถวนี้นะพ่อแม่เขาหนุ่มสาววิ่งตามเงินคนแก่เลี้ยงหลานที่บ้านเด็กมันมีสองอย่างหนึ่งซึมเศร้าสองก้าวลาวนะมันเอาตัวรอดน ะ, นะทีนี้เราต้องแก้ด้วยเมตตาเมตตาทำค้ำจุนโลก อย่าจะพูดนะต้องเมตตาจริงๆนะเด็กไม่ได้ยากหรอกคนยากคือผู้ใหญ่ต่างหาก <c oughs> มีทงของตัวเองจเจ้าจัใจตัวเองนะ เ, ออเราบอกรักลูกรักลูกทุกคนก็รักลูกหมดใครจะไม่รักนะแต่รักแบบไหนเรารักชีวิตเขาจริงไหมหรือเรารักอนาคตเขาให้เขาเอาชีวิตไปทุกเพื่อสร้างอนาคต เราทุกข์ยังไม่พอเหรอนะทุกทุกทุกพ่จะสร้างอนาคตนะสามีจะขายส บ, บาทภรรยาจะขายสิบเดบาทเถียงกันสามวันไม่มองหน้ากันแค่เงินบาทหนึ่งแล้วคุณจะไปหาเงินมาทำไมฮนะคุณไม่เอาชีวิตแล้วคุณจะเอาแพ้ชนะเอาอนาคตมันก็กระทบถึงลูกนะผู้ใหญ่อย่าทะเลาะ ก, กันอย่าให้เด็กมันรู้ให้มันเห็นเด็กก็คือเด็ก เราไม่รักเขาจริงๆเลยเราไม่ได้ห่วงความรู้สึกของเขาเราห่วงแต่ความรู้สึกของเราเนี่ยนะเด็กเป็นเยื่อเพราะครูพูดแรงๆเลยยุคนี้นะการศึกษามันก็ทําให้เด็กหลงทางเป็นแค่ไปท่องจําเรียนแบบวิชาของคนอื่นนะเป็นนักเรียนแบบไม่ใช่นักเรียนรู้อินเทอร์เน็ตนี่ระวังนะเพราะครูเนี่ยสร้างคอมพิวเตอร์ด้วยมือพ่อครูเองเลยที่อยู่อเมริกาแต่ตอนนี้เล่นไม่เป็นนะมันลืมวิชาหมดอ่รับมือรับโทรศัพท์กดก็ไม่เป็น มีแต่แก้วจำนะพวกคูถ้าเสียงดังปุ๊บเนี่ปุ่มนี้เท่านั้นเองจำปุ่มเดียวก็พอแล้วมันอะไรกดยังไงบางทีมันก็ไม่ได้นิ้วพวกกูมันคงไม่ดีเนาะรับยากมากนะตอนนี้คอมพิวเตอร์อย่าไปพูดถึงเลยละนะโทรศัพท์ก็ยังใช้ไม่เป็นเลยนะอินเทอร์เนต็ตคือกับดับทางความคิด ลูกหลานเรามันเข้าอินเทอร์เน็ตมันรู้ว่ามันคิดหนุนว่ามันรู้มากหมดเลยพ่อแม่เต่าล้านปีอย่าพูดมากนะยิ่งพ่อครูเนี่ยตอนนี้เข้าไปอินเทอร์ไม่เป็นมันบาพ่อครูนี่เต่าล้านปีไม่ทันสมัยจริงๆแล้วนี่พ่อครูเนี่ยเป็นคนทันสมัยที่สุดเลยแต่เด็กทุกวันนี้มันแท้ตามสมัยมันไม่ทันสมัยมันถูกสมัยหลอกพ่อครูทันสมัยไงพ่อครูจึงไม่ต้องใช้มือถือ เราตามสมัยต่างหากมันเปลี่ยนรุ่นใหม่ก็วิ่งไปตามมันตามมันนั่นแหละไม่ใช่ทันสมัยฉันเป็นทาสของมันผู้ใหญ่เป็นทาสไม่พอให้ลูกหลานเป็นทาสอีกเออสนุกกันจังพราะครูเห็นแล้วเนี่ยสงสารเด็กนะก็เลยเปิดโรงเรียนไงแต่ทำเท่าที่กำลังเราทำได้เห็นไหมถ้าพ่อครูมีครูใจถึงหน่อยหนึ่งเนี่ยเปิดกี่แห่งก็ไม่เป็นไรนะแต่ตอนนี้มันหายยาก ครูนี่ถูกฆ่าตายหมดแล้วในเมืองไทยนะเหลือแต่อาจารย์หนึ่งอาจารย์สองอาจารย์สามครูนี่คือคู่ลุผู้ประสาทวิชาแต่ตอนนี้เป็นอาจารย์ขายวิชาในห้องเรียนฉันก็ให้เธอเท่าที่ให้ได้ไปเรียนพิเศษฉันก็ให้พิเศษอาจารย์หนึ่งอาจารย์สองอาจารย์สามครูนี้ตายหมดแล้วไม่มีหมอนี่เหมือนกันหมอก็ตายหมดแล้วเขาไม่ให้เป็นหมอล้เพราะกูมาจากอเมริกาใหม่ๆนะ นะโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง mm. ก็เชิญพกคูไปบรรยายคุณหมอก็ตามมาปฏิบัติพกคูบอกระวังนะคุณหมอต่อไปนี่เขาจะไม่ให้คุณหมอเป็นคุณหมอแล้วนะเขาไม่เข้าใจหรอกแล้วหลายปีผ่านมามารายงานพักคูบอกทำไมพกคูรู้ล่วงหนะ้าเขาไม่ให้ผมเป็นหมอแล้วนะเออชื่อก็ได้คุณหมอกันเนี่ยมีคลินิกหมอกันเขาให้เปลี่ยนป้ายคลินิกนายแพทย์กัน เป็นธุรกิจการแพทย์หมดหมอในอดีตนี่เห็นคนไข้ทุกวันแพทย์ปัจจุบันเห็นแต่ไข้ไม่เห็นคนไข้นี้ราคาแค่นี้ไข้นี้ราคาแค่นี้คนนี้ไม่มีเงินไม่ต้องเห็นเห็นไม่ใช่เห็นหมอนะเห็นแพทย์หมอโบราณตีสองเข้าไปปลูกหมอไม่สบายหมอก็หิว้วกระเป๋ายาเครื่องมือไปนอนกับคนไข้เลยนะรักษาแล้วก็กลับมาบ้านไม่ได้ถามหาเงินเลยพอคนไข้หายปุ๊บเขาก็ เอาอะไรมาฝากหมอแต่ทุกวันนี้ต้องถามก่อ น, นอเธอมีประกันภัยไหมเธอมีเงินกี่ตังอะไรเนี่ยนะไม่งั้นไม่ได้เห็นหมอนะเนี่ยเห็นแต่ไข้ไม่เห็นคนทั้งคนมันเปลี่ยนหมดหมอก็ถูกฆ่าตายหมดแล้วไม่มีเหลือแต่นายแพทย์ครูก็ตายหมดแล้วเหลือแต่อาจารย์หนึ่งอาจารย์สองอาจารย์สามมันเป็นธุรกิจหมดธุรกิจการแพทย์ธุรกิจการศึกษานะแต่ที่นี่ไม่ได้ทําธุรกิจ ไม่มีการต่อรองนะเราก็ทำเท่าที่เราทำได้นะใครเห็นด้วยก็มาช่วยกันทำใครไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องมาช่วยก็ไม่ต้องมานะมันเป็นเรื่องกรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมันนะอันนี้พ่อกูพูดให้ตรงๆงเพราะเราก็ทำตรงๆไม่อ้อมค้อมนะทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้น เราทำในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะที่พ่อครูเคยบอกว่าพ่อครูไม่โทษเด็กๆ เ, เหล่านี้ติดยาบ้างติดอะไรบ้างถ้าจะโทษต้องโทษผู้ใหญ่เราสร้างสังคมเร็วๆให้มันอยู่พ่อครูก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งพ่อครูก็ทำหน้าที่เดี๋ยวเขาจะบอกว่ามีแต่พูดทำแต่ทำเท่าที่เราทำได้นะส่ว น, นจะทำได้แค่ไหนมันก็อีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมเด็กๆแถวนี้ แปดเก้าร้อยค น, นเนี่ยพรอครูช่วงวันเปิดเรียนจันท์ถึงสุพรอกูก็มีหน้าที่ให้ทุกวันนะส่วนเขาดีขึ้นอนุโมทนาสาธุเขาไม่ดีขึ้นก็เป็นกรรมของเขาเราไม่ได้ช่วยเขาเรามีหน้าที่ให้เขาทานศีลภาวนานะอย่าบังอาจไปช่วยเหลือคนนะช่วยไม่ได้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะแต่เรามีหน้าที่ให้สิ่งดีๆแก่เขาให้เราได้อะไร ว่ได้ให้ยังไงเอา้าทำไมต้องให้ก็ลองให้ดูสิเอาลองลองสึกใครๆก็ลองให้ดูสิเออบางทีให้สหนอหนึ่งก็ให้ได้นะให้สิบบาทชักไม่ได้ละ่ะเฮ้ยให้ร้อยบาทไม่ได้ละนี่เราจะรู้แล้วไงให้แล้วมันเป็นยังไงอะอยากรู้ก็ลองให้ให้เหมือนตัดเนื้อตัวเองเนี่ยที่แรกก็เจ็บอยู่ก็ตัดไปตัดมาตัดไปตัดมามันเคยชินแล้วไงตัดไปตัดมาเนี่ย ไม่มีเนื้อเลยเนี่ยเขไม่ต้องไปแบกเห็นไหมตัวเบาเลยใช่ไหมแล้วใครทำให้เราเจ็บได้อีกบ้างล่ะนั่นละ่ะทานนี่ยิ่งใหญ่มากทำบุญทำทานบุญเกิดจากการให้ทานไม่เคยคิดจะให้เลยมิแต่ว่าลูกฉันต้องเป็นเดอะเบสลูกฉันต้องดีที่สุดม่แต่ลูกกูตัวกูเนี่ยล่ะเดี๋ยวทุกข์แน่ๆตัวเราก็ทุกข์ลูกเราก็ทุกข์นะแต่ถ้าเราให้เราให้แล้วเนี่ยมันจะทุกข์ได้อย่างไรเห็นไม การให้เนี่ยคือการให้ทานบุญเกิดจากการให้ทานทำบุญทำทานเป็นการเอาความโวบความตนีเราออกไป <5 S 1> เห็นไมเมื่อเราไม่ต้องมีเหลี่ยมก็ไม่ต้องเสียเหลี่ยมไม่อยากเสียเหลี่ยมก็ไม่ต้องมีเหลี่ยมเห็นไหมเมื่อเราไม่มีอะไรใครจะมาขโมยของเราล่ะมันก็ไม่มีอะไรให้ขโมยเราก็เราก็เกิดความมั่นคงมากเลยไม่ต้องกลัวของหาย นั่นแหละอา น, นิสงของการให้แต่ตอนนี้ให้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าสังคมมันสอนให้เราต้องแข่งขันแค่นี้ฉันยังไม่พอแล้วยังจะไปให้ได้ยังไงนะก็ไม่ไ ม, ไม่มีใครว่าหารไม่ต้องให้ก็ไม่เป็นไรตำรวจก็ไม่จับต่างหากนะก็มีเรื่องหนึ่งนะใช้เวลายนิดหนึ่งพวกครูหลังจากหปีออกไปบรรยายข้างนอกก็มีโอกาสไปบรรยายอยู่ในบริษัทหนึ่งเขาก็ใหพนักงานเนี่ย มาขอนเซามีปัญหาส่วนตัวอะไรก็มาคุยคุยคุยนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาแต่งงานแล้วก็มีท้องท้องแรกนะมานั่งคุยกับว่าคุก็ร้องไห้ไปด้วยพูดถึงเรื่องแฟนเรื่องอะไรบอกก่อนนี้ก็เป็นดีๆอยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่คนชั่วหรอกแต่เขาท้องแล้วก็ยังไปทํางานกลับบ้านก็ยังไปทางา น, บ, า น, างงานบ้านอยู่สามีก็ไปตีกอลฟ ก่อจะกลับก็ดึกๆดืๆ่นๆเขาก็เกิดความน้อยใจเกิดความน้อยใจหลนะังจากเขาเหวี่ยงแล้วเนี่ยเขาก็วางพวกครูก็บอกอะไรหลายๆอย่างนะมันก็เป็นกรรมของเรานะเราเลือกทำอะไรแล้วต้องรับกรรมที่เราสร้างนะที่นี้พวกครูยกตัวอย่างให้ฟังนี่คือครอบครัวหนึ่งถามว่าตีก็ผิดกฎหมายไหมกลับบ้านดึกผิดกฎหมายไหม ไม่ผิดใช่ไหมเออส่วนครอบครัวหนึ่งนี่มันจนมากลูกเมียไม่สบายไม่มีเงินพาไปหาหมอพ่อบ้านมันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไปเป็นขโมยไปขโมยเงินมาแล้วพาลูกเมียไปหาหมอถ้าถูกจับได้ผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายระหว่างพ่อบ้านสองคนนี้ถามว่าใครดีใครชั่วไม่ใช่ไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายก็เป็นคนดีนะ ไม่ดูแลลูกเมียไม่มีน้ำใจไอคนนี้มันเป็นขโมยมันผิดกฎหมายนะมันยอมเสี่ยงเป็นเสียงตายถ้าถูกจับได้มันติดคุกแต่เนื่องจากมันรักลูกเมียมันอ่ะมันยอมผิดกฎหมายเพื่อจะไปขโมยเงินมาพาลูกเมียไปหาหมอถามว่าพ่อบ้านสองคนนี้ใครดีใครชั่วตอนนี้สังคมมันบ้ากันไปนหมดแล้วอ้างกฎหมายมาห้าหั่นกันมาทะเลาะ ก, กัน ผู้ภากษาก็มาที่นี่นะพ่อครูบอกว่าพ่อครูไม่ได้ยึดกฎหมายนะพราครูยึดกฎแห่งกรรมถ้ากฎหมายมันดีจริงๆเราจะไปเลือกผู้แทนนี้มันเสียงก็ประมาณไปแก้กฎหมายทําไมมันแค่กฎหมายเหตุเป็นแค่ตกลงนะเราต้องใช้กฎหมายมาเพื่อเพื่อที่จะอ้างสิทธิเพื่อจะได้ช่วยเหลือคนอื่นเพื่อจะให้คนอื่นอันนี้อ้างกฎหมายเพื่อจะเอาเปรียบคนอื่นแล้วจะตั้งกฎหมายขึ้นมาทําไมนะยากแล้วล่ะสังคมนี้ยากแล้วเห็นไหม คนขโมยนี่เป็นคนผิดแต่คนไม่ดูแลลูกเมียตีกอ๊อตีก๊ออะไรเดึงดดื่นๆนะมันมีหลุมที่เท่าไหร่ไปตีเนาะสิบแปดหลุมมันก็หมดแล้วไงกล้งคืนมันก็ไปตีไม่ได้ละแล้ ว, ลวไม่ผิดกฎหมายไงเป็นสิทธิของฉันไงเนี่ยนรกอยู่ไกลๆเนาะเห็นไหมคนขโมยเนี่ยเขาก็ผิดเขาผิดสิมเขาไปขโมยของคนอื่นแต่เพื่ออะไรล่ะ เห็นไมเขายังมีความดีอยู่เนาะอันนี้ก็แลกเปลี่ยนนะเล่าเล่าเล่าอยอะไรให้ฟังน่หน่อยหนึ่งแต่ก็ชีวิตเราเนี่ยอย่าไปซีเรียสมากมายทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดนะส่วนผลมันคือผลผ ล, ผลพลอยได้เท่านั้นเองนะเราทำดีที่เขาเถียงกันอยู่นะบางคนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว มันยังได้อยู่นะยังเป็นอามิรอยู่นะมันไม่ดีจริงๆทำดีดีทำชั่วชั่วไม่ต้องได้อยากก็เป็นอย่างนั้นไม่อยากก็เป็นอย่างนั้นทาสีขาวแล้วมันจะเป็นสีแดงไม่ได้ทาขาวก็คือขาวทาดำก็คือดำนะทำดีีทำชั่วชั่วทำอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นคุณคือสิ่งที่คุณทำทุกอย่างก็จบอยู่ที่กรรม